พระไกรปิฎกเล่มที่สิบสองจุลเวทัลลสูตรอริยาสาวกสนทนาธรรมกับอุบาสกเป็นการสนทนาธรรมระหว่างธรร ม, มาทินนาภิกษุณีกับวิสาขาอุบาสกซึ่งพระพุทธองค์ตรัสยืนยันว่าถูกต้องและให้ทรงจำไว้ให้ดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนน่ณพระเวรุวันกาลันทากานิวาปสถาน เขตกรุงราชพฤก์ครั้งนั้นอุบาศกชื่อวิสาขเข้าไปหาภิกษุณีชื่อธรรมทินนาแล้วได้ถามท่านว่าธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าท่านวิสาขอุปาทานะขันห้าประการคือหนึ่งรูปูปาทานขันอุปาทานะขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทานา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขารและ 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณท่านวิสาขอุปาทานขันหประการนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะวิสาขาุบาศกชื่นชมอนุโมทนาภาสิตของธรรมทินนาภิกษุณีแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะสมุ ท, ทยัยตอบว่าตัณหาอันทมให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกาหนัด มีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัิหาภวะตันหาวิภวะตันหามีพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทยัยถามว่าธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะมิโรดตอบว่าความดัดตันหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสลักความสลักคืนความพ้น ความไม่อาลัยในตัณหานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายนิโรธถามว่าธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธาคามิเนปฏิปทาตอบว่าอริยมรรคมีองค์แปดได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดําริชอบ สัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทาชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติประลึกชอบลัสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรธคามิมีปฏิปทา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 ถามว่าสักยทิฏฐิไม่มีได้อย่างไรตอบว่าพระอริยาสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมะของพระอริยได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยพบสัตบุรุษ ท, ทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษ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 ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสกิยทิฏฐิไม่มีได้อย่างนี้แหลถามว่าอาริยมรรคมีองค์8ปดเป็นอย่างไรตอบว่าอาริยมรรคมีองค์แปดนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมนตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิถามว่าอาริยมรรคมีองค์8ดเป็นสังคตะธรรมคือธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ขันห้าหรือเป็นอสังคตะธรรมคือธรรมะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งได้แก่นิพพานตอบว่าอาริยมรรคมีองค์แปดเป็นสังคตะธรรม คือเป็นธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ขันหถามว่าพระผู้มีพระภาคทรงจัดขันสามประการเข้าในอริยามรรคมีองค์8หรือว่าทรงจัดอริยามรรคมีองค์8เข้าในขันสามประการตอบว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันสามประการเข้าในอริยามรรคมีองค์8ด แต่ทรงจัดอริยมรรคอีองค์8เข้าในขันสามประการคือ 1. สัมมาวาจาสัมมากมันตะและสัมมาอาชีวะทรงจัดเข้าในศีละขัน 2. สองสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงจัดเข้าในสมาธิขัน 3. สามสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงจัดเข้าในปัญญาขัน ถามว่าธรรมะชนิดใดเป็นสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการเจริญสมาธิเป็นอย่างไรตอบว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นสมาธิสติปัฏฐานสเป็นนิมิตของสมาธิสม bud, ปัฏฐานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิ การเสดในที่นี้หมายถึงการเสดที่เป็นไปชั่วขณะจิตเดียวการเสพการเจริญการทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นนั่ น, น, นแหละเป็นการเจริญสมาธิถามว่าสังขารมีเท่าไรตอบว่าสังขารมีสามประการคือกายสังขารหมายถึงสภาพรุงแต่งการกระทำทางกายได้แก่ลมหายใจ วจีสังขารหมายถึงสภาพรุงแต่งการกระทาทางวาจาได้แก่วิตกและวิจารหรือวจีสัญญาเจตนาคือความจงใจทางวาจาและจิตตสังขารหมายถึงสภาพรุงแต่งการกระทาทางใจได้แก่สัญญาและเวทนาหรือมโนสัญญาเจตนาคือความจงใจทางใจ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 ถามว่าเพราะเหตุไรลมอัศสาสะและลมปัสสาสะจึงเป็นกายสังขารวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารตอบว่าลมอัศสาสะและลมปัสสาสะคือลมหายใจเข้าออกเหล่านี้เป็นธรรมะที่มีอยู่คู่กายเนื่องกับกายฉะนั้นลมอัศสาสะและลมปัสสาสะ จึงเป็นกายสังขารบุคคลตรึกละรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะ น, นั้นวิตกและวิจารจึงเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นธรรมะที่มีอยู่คู่จิตเนื่องกับจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารถามว่าการเข้าสัญญาเวทายตนิโรธเป็นอย่างไร ตอบว่าภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทาอิตันิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธเรากำลังเข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธหรือเราเข้าสัญญาเวทาอิตัณิโรธแล้วที่แท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนําเข้าไปในภาวะนั้นได้เองถามว่า เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายตานิโรธธรรมะเหล่าไหนที่ดับไปก่อนกายสังขารวาจีสังขารหรือจิตตสังขารตอบว่าเมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทาิตานิโรธวจีสังขารดับไปก่อนจากนั้นกายสังขารจึงดับส่วนจิตตสังขารดับทีหลังถามว่าการออกจากสัญญาเวทาิตานิโรธสมาบัตเป็นอย่างไร ตอบว่าภิกษุผู้ออกจากสัญญาวิทายิตานิโรธสมาบัติมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาวิทาีิตานิโรธสมาบัติเรากำลังออกจากสัญญาวิทาีิตานิโรธสมาบัติหรือเราออกจากสัญญาวิทายิตานิโรธสมาบัติแล้วอีกแท้จิตที่ท่านอบรมไว้ในเบื้องต้นอย่างนั้นย่อมนาเข้าไปในภาวะนั้นได้เอง เมื่อพิกษุออกจากสัญญาวิทาอิตานิโรสมาบัติธรรมะเหล่าไหนเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตะสังขารตอบว่าเมื่อพิกษุออกจากสัญญาวิทาอิตานิโรสมาบัติจิตตะสังขารเกิดขึ้นก่อนจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นส่วนวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลัง ผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทยายตะนิโรธสมาบัติตอบว่าผัสสะสามอย่างคือ 1. ผัสสะชื่อศูนยตต์คือความว่าง 2. ผัสสะชื่ออนิมิตตัศคือไม่มีนิมิตและ 3. ผัสสะชื่ออัปปณนิหิตตัศคือไม่มีที่ตั้ง พัสสะสามอย่างนี้ย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวท้าิตานิโรสมาบัติภิกษุผู้ออกล้าจากสัญญาเวท้าิตานิโรสมาบัติมีจิตน้อมไปในธรรมะอะไรโน้มไปในธรรมะอะไรละอวนไปในธรรมะอะไรตอบว่าภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวท้าิตานิโรสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวก โน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเวทนามีเท่าไหร่ตอบว่าเวทนามีสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอัุขกรมสุขเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอัุกรมสุขเวทนาเป็นอย่างไรตอบว่า การสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นสุขขเวทนาการสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นทุกข์ขเวทนาการสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสำราญและที่ม่ใช่ความไม่สำราญทางกายหรือทางใจนี้เป็นอทุกขกรมสุขเวทนา สุขเวทน า, าเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรเป็นทุกขเพราะอะไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะอะไรและเป็นทุกขเพราะอะไรตอบว่าสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่ hmm. เป็นทุกขเพราะแปรไปทุกขเวทนาเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปรไป อทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกขเพราะไม่รู้อนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาและอนุสัยชนิดไหนนอนเนื่องอยู่ในอทุกขมาสุขเวทนาตอบว่าราคานุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องคือความกำหนัดนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนา ปติคานุใสคือกิเลสที่นอนเนื่องคือความขัดเกลืองนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาและอวิชานุใสกิเลสที่นอนเนื่องคือความไม่รู้นอนเนื่องอยู่ในอุกขะมสุขเวทนาราคานุใสนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือไม่ปฏิกานุใสนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรือไม่ อวิชานุนัสนอ น, น, นเนื่องอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือไ <maintenant S 2> นะม่ตอบว่าราคานุัสนอนเนื่องอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดหาไม่ได้ปฏิคานุใสนอนเนื่องอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้อวิชานุใสนอนเนื่องอยู่ในทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ ธรรมะอะไรจะพึงลกได้ในสุขเวทนาในทุกเวทนาและในอทุกขมสุขเวทนาตอบว่าราคานุใสจะพึงลกได้ในสุขเวทนาปติกานุใสจะพึงลกได้ในทุกเวทนาอวิชานุใสจะพึงลกได้ในอทุกขมสุขเวทนา ราคานุใสจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหรือไม่ปฏิคานุใสจะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหรือไม่และอวิชานุใสจะพึงละได้ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดหรือไม่ตอบว่าราคานุใสจะพึงละได้ในสุขเวทนาทั้งหมดหาไม่ได้ปฏิคานุใส จะพึงละได้ในทุกขเวทนาทั้งหมดหามิได้และอาวิชานุสัยจะพึงละได้ในอทุกขมาสุ ข, ขเวทนาทั้งหมดหามิได้ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจาัดกรามและอาุสุลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ย่อมละราคะได้ด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัย มีได้นอนเนื่องอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายบรรลุแล้วดำรงอยู่ในบัดนี้เมื่อภิกษุนั้นตั้งความปรารถนาในวิโมกข์ทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมคือมรซีผล4ีและนิพพานมึงอย่างนี้ โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิฆะได้ด้วยโทมนัสนั้นปฏิฆานุใสมิได้นอนเนื่องอยู่ในโทมนัสนั้นอันหนึ่งเพราะละสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุฌานที่สีคือจตุถั ท, ะทะชาฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุทัตชาานั้นอวิชชานุัยมิได้นอนเนื่องอยู่ในจตุทัตชาานั้นอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาสำหรับคำว่าคู่เปรียบในที่นี้มีสองความหมายหหมายถึงคู่เปรียบที่ขัดแย้งกันเช่นสุขกับทุกข์ และสองหมายถึงคู่เปรียบที่คล้อยตามกันเช่นวิมุตและนิพพานอันเป็นโล ก, กุตุรัธรรมอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาตอบว่าทุกขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งสุขเวทนาอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนาตอบว่าสุขเวทนาเป็นคู่เปรียบแห่งทุกขเวทนา อวิชาเป็นคู่เปรียบแห่งอาทุคมาสุขเวทนาวิชาเป็นคู่เปรียบแห่งอวิชาวิมุตเป็นคู่เปรียบแห่งวิชานิพพานเป็นคู่เปรียบแห่งวิมุตถามว่าอะไรเป็นคู่เปรียบแห่งนิพพานตอบว่าท่านวิสาขาท่านก้าวเลยปัญหาไปแล้วไม่อาจกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้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 ตอไปก็เสียเวลาเปล่าจึงเป็นคำถามที่ยังไม่ควรตอบลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาพาสิทธิ์ของธรรมทินนาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะน้อมไหวธรรมทินนาภิกษุณีกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมมีกถา กับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอุบาศกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าวิสาขาธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากเธอจะพึงสอบถามเนื้อความนั้นกับเราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความนั้นเหมือนอย่างที่ธรรมทินนาภิกษุณีตอบแล้วเนื้อความแห่งคําตอบนั้น เป็นดังนั้นนั่นแหละท่านกวรทรงจำไว้อย่างนั้นเถิดพระผู้มีพระภาคได้ดรตรัสภาสิตนี้แล้ววิสาขุ บ, บาศมีใจยินดีชื่นชมพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละหมายเหตุทิ้งท้ายขอให้สังเกตนะครับหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสชื่นชมพาษิทธิ์ของพระอริยาสาวก และตรัสให้จดจำไว้เป็นการตรัสยืนยันว่าคำสอนของพระอริยส า, าวกเชื่อถือได้และควรจดจำข้ออ้างที่อาจารย์รุ่นหลังบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ฟังสาวกจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องถูกต้องนักนะครับทั้งนี้ผู้สนใจศึกษาก็ควรพิจารณาด้วยปัญญาให้รอบคอบก่อนแม้จะเป็นคำสาวกแต่ถ้าพระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เชื่อให้ทรงจาไว้ ทำไมเราถึงขัดคำสอนของพระองค์และสิ่งที่พระสาวกสอนทำไมจึงไม่นำมาพิจารณาให้ดีว่าสิ่งนี้ถูกต้องเป็นภาสิทธ์ถูกหลักธรรมและทำให้จิตคลายความยึดติดเจริญในธรรมได้จริงหรือไม่คงน่าเสียดานนะครับที่จะมาปฏิเสธสิ่งที่แม้พระพุทธองค์ก็ทรงตรัสว่าดีถูกต้องและให้ทรงจาไว้แล้ว่ากันละเลย ไม่จดจําไม่นํามาพิจารณาอ้างแต่ว่าไม่ใช่พุทธวจนะหรือเราจะไม่ฟังที่พระองค์ตรัสสั่งไว้เลยครับว่าให้ทรงจําคําสอนเหล่านี้ของพระอริยสาวกให้ดีซึ่งมีหลายพระสูตรมากนะครับส่วนข้อความที่เป็นประเด็นเรื่องไม่ให้ฟังคําสาวกให้สังเกตคําแปลและเนื้อหาโดยรวมให้ดีนะครับว่าหมายถึงสาวกผู้บรรลุธรรมแล้วหรือว่าเป็นสาวกอุถุชน ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมจึงฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับ